คนจึงยังหลงอยู่กับความฉลาดที่เฉกาส่วนมากแค่ความฉลาดนี่แหละถ้าคนแยกไม่ได้ก็จะหลงวิปลาสไปกับความฉลาดและหลงไปสร้างจิตตนให้ฉลาดอย่างเฉโกทําเฉกาใส่จิตตนไปเพราะวิปลาสในคําว่าปัญญากับเฉกา แม้พีชนันยามจะยังรู้ไม่ถึงขั้นฉลาดเพราะมันยังไม่มีตาหูจมูกลิน้นกายใจมันมีแต่พลังงานรู้ตามประสาในฐานะของมันแต่มันก็สามารถพัฒนาตัวตนเซลล์ของมันโดยเริ่มจากประทับตูปะชีวีในตัวมันเอง ให้เจริญก้าวหน้าจนสามารถข้ามขีดขั้นผีชานิยามขึ้นไปเป็นจิตนิยามได้เยี่ยงเดียวกันพระทาตุูปชีวีจึงมีทั้งในความเป็นพลังงานของผีชานิยามและทั้งในความเป็นพลังงานของจิตนิยามพลังงานอุตุนิยามกว่าจะพัฒนามาเป็นธาตุรู้ ก็ต้องผ่านความเป็นประทัดตูปชีวีจึงจะได้ก้าวข้ามขึ้นมาเป็นผีชนิยามและผีชนิยามก็ต้องก้าวขึ้นสู่ประทัดตูปชีวีขั้นสูงของพลังงานระดับผีชนิยามเองอีกทีจึงจะข้ามขึ้นสู่จิตนิยามได้สำเร็จ ส่วนกิจิยามนั้นแน่นอนย่อมมีปรทัตตูประชีวีในตัวเองอยู่จริงทุกคนแต่ถ้าใครไม่ศึกษาอย่างสำ ม, มาทิฏฐิก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นปรทัตตูประชีวีของตนได้แถมจะวิปลาสในความเป็นปรทัตตูประชีวีกันได้ง่ายๆเอารวย เพราะมันขั้นละเอียดยิ่งลึกมากคนที่ยังมีภูมิไม่สูงพอจึงรู้จากขั้นหยาบไปหาละเอียดจากขั้นตื้นไปหาขั้นลึกเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อความรู้ยังไม่พอจึงไปยึดได้แค่ความหยาบความตื้นจึงเห็นปรัชญาตูปัชชีวี เป็นพลังงานที่หยาบเป็นตัวตนของธาตุรู้ที่มีวิสัยหรืออนุสัยต่ำหยาบขั้นหนึ่ง